เธอฉันเป็นไงไม่ เ, เข้าใจสัเลยว่าตอนเช้าเป็นเช่นไรพอเรามาเจอกันเธอมาเปลี่ยนฉันสามายัยช่วยปลุกให้ฉันตื่นขึ้นมาพบความสวยงาม มเย็นจะมีแค่สองมือเปล่าที่กอดเธอให้อุ่นโดยอ้อมแขนของหัวใจในตอนที่ตัวเธอกำลังเกิดเงาเมื่อไรก็เป็นใจฉันเองที่อบกอดใจของเธอ คนคนนี้ไม่